จริงเรื่องของนายลิชชี่นี่มาเพิ่งมาทราบวันนี้เองนะความจริงเขาดังมานานก็ไอสังคมเขาเดือดร้อนเขาหาทางออกคือเมื่อก่อนในผู้นําเสนอเรื่องของความรู้ทางกรรมเรื่องเวรเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นเนี่ยก็มีเยอะนะฮะเดี๋ยวเขาเลือกผีบุญ ในบ้านเราเลิกตนบุญทางเหนือเลิกตนบุญมีบทเป็นพระอย่างนิกกรีก็เลิกตนบุญแล้วก็ต่อมาก็มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นรุ่นใหญ่อย่างดรสนองคุณแม่ศิ ล, ลิดรอัดองค์หรือใครต่อใครที่เป็นนักปฏิบัติธรรมที่เป็นเครือข่ัดแล้วออกมาบรรยายธรรม บางที่ก็สูงเกินระดับของสังคมมันต้งสังคมอีกระดับหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมก็จะฟังรู้เรื่องแต่สังคมระดับกลางระดับล่างที่กําลังสนุกสนานเรื่องวัตถุนิยมเนี่ยได้รับวิบากกรรมกันก็ไม่มีทางออกก็ไปหาผีบุญใครว่าทางไหนดีก็ไปกันดังนั้นเกิดทั้งนั้นทัน้งนี้อย่างล่าสุดก็ไม่ชีอะไรนะที่พระสะรก็มานําเสน อ, อเรื่องบุญเรื่องอบาป มีแย่ะแยะในแต่ละแห่งมีพ้าผ้าสีอ่านผ้าอะไรต่างๆเกิดขึ้นอันนี้การสังคมมันมันเป็นทุกยุคคือหมายเมื่อมนุษย์เดือดร้อนแล้วสังคมคอยหาทางออกเมื่อทางออกก็มีสิ่งนี้เกิดขึ้นหลายระดับแม้แต่พระผู้นาเสนอธรรมะรุ่นใหม่ๆดาวหลายดวงเกิดขึ้นอย่างท่านบอวชเชลเมธี แฟมโหมดอะไรพวกนี้ก็เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองตอบรับสังคมความต้องการของสังคมซึ่งก็อันนี้ก็เราจะว่าถูกก็ไม่ใช่จะว่าผิดก็ไม่ใช่ถูกผิดอยู่ที่คนฟังว่าคนฟังเนี่ยระดับการศึกษาระดับสติปัญญาระดับประสบการณ์มีแค่ไหนถ้าหากระดับที่การศึกษาประสบการณ์อะไรดีถูกต้องก็ รู้จักเลือกรู้จักรับในสิ่งที่ถูกต้องประสบการณ์การศึกษาอะไรมาเมื่อดีก็ไปเชื่อไปทำในสิ่งนั้นก็ไม่ถูกต้องก็สแสวงกันต่อไปนะทีทท่ต่อมาก็ในกรณีของนายลิชีนี่ก่อนหน้านี้ก็มีคล้ายๆกันเนี่ยเขาเรียกว่ า, าชายเดี่ยวแบบนอะไรนะ นะเอามาก็ได้ฟังอยู่ mm hmm. ก็คน ว, วัยรุ่นชอบเนะะเสนอขึ้นสนุกสนาในเรื่องของศาสนาบ้างเรื่องของเพลงบางเรื่องของประสบการณ์ชีวิตบ้างปนกันไปแต่ลายของลิชีนี้สจะพูดถึงเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องอะไรโดยเฉพาะแต่ามาอ่านด้วยตลอดแล้วนี่มีข้อดีอยู่อันหนึ่งสําหรับในคนนี้นะที่ไม่ถือว่าเป็นผีบุญก็คือเขา นำเสนอเรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องเวรการแก้กรรมแต่ว่าเขาบอกวิธีการแต่ว่าไม่ต้องไปทํำที่เขาหรอกไม่ต้องไปหาเขาหรอกแล้วเขาก็ไม่รับจะตังถ้าให้ตังเข้ามาเขาเอาไปทําบุญอย่างเงี้เนะีอันนี้เป็นข้อดีแต่ที่แล้วแล้วมาเนี่ยคิดว่าเป็นการขายบุญนะนะตอนนาเสนอเสร็จแล้วก็มีการบูชาอันนั้นอันนี้นะฮวิธีเสียเคาะเสดะโชคตอ เสริมมงคลตอชะตาอะไรก็เกิดขึ้นแต่ น, นี่บอกเขารู้โดยที่มันเป็นมาโดยที่เขารู้โดยจะโดยวิธีใดก็ตามอันนี้มันเป็นไปได้นะเพราะว่าบรรพบุรุษของเราที่ให้กําเนิดเรามาแต่ละคนเนี่ยอาจจะเคยบวชเป็นพระเป็นฤาษีเคยบวชหลายๆทอดต่อกกันมาก็สืบทอดขึ้นมาเป็นพ่อเป็นแม่เรา จิตวิญญาณดวนี้มันไม่ตายมันก็สูงทอดกันมาเหมือนกับเมล็ดพันเมล็ดพืชนี่นะก็ต้นมันตายไม่รู้กี่ต้นแต่เม็ดมันก็ต่อต่อต่อต่้ามาเเม็ดนี้ไปเป็นต้นนี้เม็ดนี้เอาต้นนี้ตายเอามันมีเม็ดตัวต่อต่อต่อไปแต่ละเม็ดมันก็รับเอาอืมปุ๋ยเอาน้ําเอาประสบการณ์สิ่งแวดล้อมทอดทอดกันมาลักษณะนั้นก็จะเป็นซีสังคมเมื่อสังคมหันทั้งออกในยุคนี้ก็จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาตอบสนอง แต่แต่และคนก็จะมีจุดบันดาลใจไม่เหมือนกันอย่างในดิชีนี้เขามีจุดบันดาลใจในเรื่องพระนารายว่าเป็นองค์ว่าพระนารายอวตารในส่วนหนึ่งเป็นในศาสนาฮินดูศา ส, สนาพราหมณ์เสร็จแล้วก็มีปรากฏการต่างๆในสมัยเป็นเด็ ก, กนำมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นการเรียกน้ําย่อยให้สังคมเกิดหันมาสนใจเขาจนจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนอันนี้แล้วแต่เราไม่รู้เขาไม่ได้ แต่ว่าให้รู้ว่าในสังคมมีสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเป็นปราฏิการณ์โดยเฉพาะในยุคสมัยที่เป็นอะไรเป็นกูลยุคเป็นมิขสันยียุคจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะมาช่วยให้สังคมชี้ทางออกของสังคมแต่ว่า เขาไม่มีประสบการณ์ในเรื่องตำราเรื่องการศึกษาเรื่องคมพีเรื่องอะไรเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้รับก็แสดงออกมาซื่อๆตรง ๆ, รงๆดูเหมือนว่าสื่อความหมายง่ายไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ศัพท์ทางภาษาไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทางคมพีเอามาพูดพูดแบบ รู้ยังไงพูดไปอย่างนั้นสังคมเลยเข้าใจง่ายสังคมเขาไม่มีพื้นฐานเรื่องคำภีรเรื่องตำราแบบพระพูดพระพูดบางทีก็เต็มไปด้วยลัทธิพิธีดองวัฒนธรรมประวัติศาสต ร, ร์สิ้นทำคัมภีร์ปนกันคนก็ฟังยากที่เขาไม่มีพื้นฐานนะนะก็ไม่อยากจะฟังแต่พอคนดิบดบิคนที่หนุ่มหนุ่มมาในรุ่นเขามาพูดโดยที่ไม่มีประสบการณ์เหล่านี้ก็พูดออกมาตรงๆคนก็รับได้ง่ายถือว่าเป็นเรื่อง อ, อะไรล่ะพิเศษมาชั่รจันไปสังคมก็ต้อนรับแล้วก็เกี่ยวกันโปรโมทโฆษณาอะไรออกมาก็ทำมีส่วนส่วนดีนะแต่ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เห็นด้วยกับเขาก็คือเขาเสนอวิธีทางออกนะจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ส่วนนี้เขาพูดถึงก็คือทำจิตให้เป็นสมาธินล้มีสติเนี่ยสามารถชำระกรรมแล้วก็ตอบสนองเจ้ากรรมในเวรแก้กรรมอะไรได้เร็ว เขดีนะแสดงว่าออมีความรู้ที่ถูกต้องอยู่ว่าจะแต่เขาก็มีวิธีการแต่สิ่งหนึ่งที่มันปนฮินดูอยู่ก็คือว่าขออะไรอยากจะได้อะไรให้เจ้ากรรมนายเวรเขขอให้อำนาจของพระนารายณ์แทนที่จะแช่อำนาจของพระพุทธเจ้าอย่างนี้หรืออำนาจของพระราชาแช่อำนาจของพระนารายณ์พระอินวนพระศิวะอะไรอย่างนะี้เขาก็จะไปอันนั้นอันนี้ก็มีเชื้อศาสนาฮินดูอยู่ ซึ่งเรื่องนี้ก็เล่าให้ฟังในวันก่อนในเรื่องกองของชาวอาราวีว่าคําสอนของพระเจ้าในจุดไหนคนเสื่อมไปไม่จําไม่ได้ก็เอาอันอื่นมาแทรกมาใส่เข้าไปเมื่อผ่านไปหลายร้อยห ล, ลายพันปีกองชาวอาราวีที่เป็นไม้จันทร์ก็กลายเป็นไม้อื่นทั้งหมดคําสอนพระเจ้าผ่านไปหลายร้อยห ล, ลายพันปีแทนจะเป็นคําสอนเกี่ยวกับเป็นคําสอนของพีของพราหมของฮินดูของและที่พิธีกรรมแทรกแซรกเข้าไปจนในที่สุดพุทธศาสนาก็ไม่มี นี่คือพระพุทธเจ้าท่านทำนายเอาไว้กดทุกข์ความไม่เที่ยงแต่เรื่องหนึ่งอยากจะนําเสนอในวันนี้ผมจึงเคยพูดหลายครั้งแล้วเรื่องของว่าระหว่างาศาสนาพุทธกับาศาสนาพราหมณ์มันพลิกกันไปพลิกกันมาโดยตลอดเมื่อพราหมณ์เกิดขึ้นหลายๆพันปีพุทธก็จะโผลมีพรุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาองค์หนึง่งก็มาพลิกาศาสนาพราหมณ์ให้เป็นพุทธ หลังจากที่ศาสนาพุทธยืดยาวไปหลายพันปีก็กลับไปเป็นศาสนาพราหมณ์อีกเพระคนจมดิ่งในเรื่องศาสนาพราหมณ์มันมืดกว่าพลิกเป็นพุทธอีกอยู่อย่างเงี้ยแต่คําสอนนั้นลักษณะใก้เคียงคล้ายๆกันแต่เพียงแต่มาคอนเวิร์ตปฏิวัติอย่างพรมเนี่ยพรมสีหน้ากลายมาเป็นพรมวิหารสีอะไรตัว น, นี้นะแต่ทีนี้อาสตอนหนึ่งนะเอาเรื่องโดยเฉพาะเรื่องพราหมณ์เนี่ยมันมักจะใช้เรื่องของรามเกียรติ์มหาภาระตะ เนี่ยเป็นเกณฑ์ในการสอนคนใช่ไหมอย่างวัดพระแก้วของเราก็มีเต็มเรื่องของรา ม, เมอเกียนนั่เต็มบทไปหมดนะเอาสักตอนเอตอนไหนดีเอามามันรู้หลายตอนนะเอาตอนกําเนิดพระรามดีกว่นนะ <c oughs> เาเนาะพระรามก็จะเห็นได้ว่าพูดกับพามันซ้อนกันอยู่อย่างไรแล้วทาให้เกิดสิ่งเหล่านี้แยกเป็นบทไม่ใช่แค่นี้นะมันจะเกิดไปเรื่อยๆแหละ มันซอนอยู่ทีนี้มันเริ่มต้นตรงที่ว่าก็เหมืนพระรามเริ่มต้นตร ง, ตรงไหนหรู้ไหมเริ่มต้นตรงที่ว่าไอ้เ <c oughs> ขาไกรลาศเคยได้ยินใช่ไหมเขาไกรลาศเขาพระเมนันนะเ <c oughs> ขาพระเมนเป็นเขาที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลนั้นวะนะเขาที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเสร็จแล้วในบนเขาพระชุมนเนี่ยบนยอดเขาพระชมน ผู้ที่เป็นเจ้าอยู่ตรงนั้นคือพระอะไรพรนนาไลาใช่ไหมเป็นใหญ่บนเขาพัทสุมเมรกกินจักรวาลเนี่ยคือพระนไาลาเป็นใหญ่อันนี้คือการการเริ่มต้นจากอนาลาย อ, อวาตานตรงนั้นเสร็จแล้วบนเขาพัทสุมเมนเนี่ยสัมพสัตว์ทั้งหลายนี่นะจะขึ้นไปเฝ้าพนนไลายนี่จะมีลูกน้องอยู่สองคนมือซ้ายกับมือขวา เออไม่ใช่ พ, พรนะ พ, พรหมนะพระพรหมและพระอิศทรวนคนเดียวกันนะแต่จะมีอ่าลูกน้องอยู่สองคนคือพระนารายกับพระศิวะพระนารายนั้นอยู่เบื้องขวาพระศิวะเฮ้พระศิวะอยู่เบื้องซ้ายพระนารายกอยู่เบื้องขวาแต่พระพรหมหรือพระอินทรวนเนี่ยคือเป็นเจ้าผู้ครองโลกว่างเลยนะนี้ถ้าจะใช้ทางฤทธิเดชแล้ว พระพรหมหรือพระ อ, อิศวนรก็จะใช้พันลายแต่ถ้าจะใช้ทางไม่ใช่ชีวิตใช้อำนาจใช้อำนาจจะใช้พระศิวะจะใช้ปัญญาเนี่ยจะใช้พันลายเสร็จแล้วสิบห้าวันทุกสิบ้าวันสัมภสัตวทั้งหลายนั้นไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์อะไรต่างเนี่ยสิบห้าวันเนี่ยจะไปเฝ้าพระพรหมหรือพระศิวะพระอิศวรนี่ครั้งหนึ่งเพื่อที่ไปรายงานสุขทุกข์อะไรต่างๆ มีอยู่วันสิบห้าค่ำวันพ้าสิบห้า่จะเป็นวันหยุดสัมภสัตทั้งหลายไม่ต้องไปนะแต่วันธรรมดาเดี๋ยวสัตว์กลุ่มนั้นไปเดี๋ยวเทวดาไปเดี๋ยวอินไปเดี๋ยวปลมอมเดี๋ยวยักษ์ไปเดี๋ยวมารไปเดี๋ยวมนุษย์ไปเดี๋ยวสัตว์นรกไปไปเฝ้ า, เ ฝ, าเฝ้ากันผัดกันไปวันละวันละวันทีนี้ในกลุ่มเหล่านี้ในหุนทางขึ้นบันไดไปสู่เขาพรสุเมนเนี่ยมันมียักษ์เฝ้า ทางขึ้นอยู่นะยักษ์คนนี้คนพุทธผู้แก่ต้องจำได้ก็เรานนนุนทะนนทยักษ์คือดีใช่ไหมคนที่ฟังเรื่องของเรามาเยน็นนห้บ่อยนะนุนทยักษ์เฝ้าอยู่ทีนี้นุนทยักษ์เนี่ยแกเป็นเหมือนกับชูชกนะคือหัวล้านอ้วนฮนะไม่มีผมประวัติเมื่อทำไมไม่มีผมก็เพราะว่า มีเทวดาอันธพาลพวกหนึ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเวลาขึ้นลงแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะเค ข, ของแล้วก็ถอนผมไม่นี้เล่นเห็นว่ามันเป็นคนเฝ้าประตูเฉยๆนะขึ้นก็ถอนเล่นลงก็ถอนเล่นไอ้นนทยักษมันก็เจ็บช้ำน้ำใจจะทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเทวดามีศักใหญ่เขาคิดอยู่ในใจแค่อยู่ในใจว่าทําไมจะจัดการกับพวกนี้ได้เนี่ถือว่าเป็นใหญ่มลาลังแกเราเราเห็นว่าเราเป็นคนเฝ้าประตูหรือ ย, อยงอังไงเฝ้าทางขึ้นอย่างเงี้ย ที่วันหนึ่งวันพระศีพ้าคำเนี่มันไม่มีสัมพสัดทั้งหลายไปเฝ้าพระอิ น, น, นทร์สวนรุนะยัเขาแอ บ, บเข้าไปแอบบไปพบพระอินทร์สวนเฮ้ยก็ไปกราบพระอินทร์นะเธอถามมาทําไมเนี่ยนา น, นนั้นนี่ไม่ได้เห็นหน้ากันเมือกันว่มาเฝ้าพระองค์เหมื่อกันเพราะว่ารับใช้พระองค์มาหลายนานเหลือเกินเนี่ยมันมีโอกาสได้เฝ้าเอามาเฝ้าวันนี้จะมีอความต้องการอะไร แน่นอนขอรับต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งต้องการอะไรมาเลยเพราะว่ารับใช้มานานก็ขอพร อ, อะไรจะให้ขอว่าขอให้นิ้วชี้เนี่ยชี้คนแล้วตาย <c oughs> ขอให้นิ้วชี้เนี่มีพลังสามารถชี้ไม่ว่าคนว่าสัตว์อะไรชี้แล้วให้ตายให้มีฤทธิ์เหมือนกันเดะให้มีฤทธิ์ใ้ส่วนนึกเอา้าให้พรให้พรเสร็จเจ้านุนทะยาโข แ้วก็ยิ้มยิ้มย่องทีนี้ใครมารังแ ก, กไม่ได้แล้วนี่นะรอในวันต่อมาเขาก็ไปเฝ้าไปอินส่วนเป็นหน้าที่ของพวกเทวดาอันดาพานมาพอดีมาก็ปรากฏว่าพวกนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะเคหัวถอนผมเล่นไม่มีจะถอนนะเคหัวโอ้โหทีนี้ก็ยิ้มเลยเนะีะยใครมาเคหัวชี้เลยนะกลาดเลยนะเทวดาพวกนั้นลงมตายกันลนี่แล้วนาะท เขาว่าเทวดาตายไม่เป็นแต่พอเจอฤทธิท์พระอีส่วนที่ให้กับนนทยักษล้ตายในที่สุดก็เดือดร้อนในพวกเทวดาทั้งหลายก็เดือดร้อนพวกเพื่อนตายกันเยอะแยะเนี่ยก็วันนึงก็พากันไปเฝ้าว่าได้รับการหลังแก่จากนนทยัษที่เฝ้าเพราะฉนั้นเวลาใครจะมาพอดต่อไปเนี่ยถูกจี้ตายไม่มีใครมาได้่ยจทำยังไงเพราะนั้นพระองค์ขอให้สั่งอนนทยักษ <c oughs> ด่วนอย่าทำอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าเทวดาทั้งหลายก็ไม่รู้อ่ะนุนทยักษทําอย่างนั้นได้เพราะได้รับพรจากพระอิศวรเสร็จแล้วพระอิศวรก็เป็นยังไงจะเป็นผู้ใหญ่นะการตัดสินใจไปแล้วอ่ะจะคืนคําก็ไม่ได้จะเอาอานาจคืนก็ไม่ได้ในที่สุดก็เรียกพนันลายไปปรึกษาเนี่ยพนันลายเราให้พลังอํานาจให้ฤทธิดเด็ดให้กับนุนทยักไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาไปใช้อย่างเงี้ย มี่คนมาประทว้วงจะจะแก้ไขอย่างไรพระนารายณเอาเป็นหน้าที่ของขาา้าพเจ้าทีนี้พระนาราย์ก็มาดูว่านุนทยักษ์เนี่ยมันมันมันจุดอ่อนมาอยู่ตรงไหนอ๋อจุดอ่อนก็คือว่านุนทยักษ์เนี่ยเป็นเบ า, เ ป, เ, บาเป็นเบาเท่าไม่เคยแต่งงานเพราะฉะนั้นมีทางเดียวที่จะปรับก้ได้ก็คือพระนารายก็เลยไปบรรดาลสวนดอกไม้รอบๆไปทางบันไดขึ้นนะันนะที่นุนทยักษ์อยู่สวยงามเลยเด้อ สนดอกกุหลาบดอกอะไรงามมากสวนสวนถ้เาเกิดขึ้นไม่นานแล้วก็แปลงตัวเป็นประพสส น, นางเทวดาประพสสนนะ่ะสวยงามไปเดินชุยใชย้เที่ยวในสวนดอกม้ทุกวันทวนเจ้าหนุนทยักก็เห็นเนยเห็นก็ไปเกี่ยวพาราสีเกี่ยวพาราสีก็คุยกันแบบหนุ่มขสาวทีนี้ เนี่ยลายแปลงนี่ก็ถามนุนทะยักว่าว่าเนี่ยมาชอบชั้นเนี่ยแกเต้นลัมเป็นหรือเป่าเ <c oughs> อืมฉันชอบเต้นลัอ๋อไม่เป็นอ๋อไม่เป็นก็จะฝึกให้แต่ถ้าหากว่าเต้นลัมไม่เป็นยังมาชอบชันเลยยังมาคุยฉันยังมาฉันชอบเต้นลนัมเหมือนกันอาจจะฝึกให้อ่ะฝึกก็ฝึกเหมือนกันก็ประพันธ์งสาวประพสศนคือสาวที่เนี่ยลายแปลงปองมาก็ฝึกคือจะ คือจฆ่าอะไรก็ง่ายๆอ่ะแต่ที่นี้มันเสียเชิงคนมีอำนาจใช่ไหมต้องมีเลี่ยมหน่อยก็ฝึกนะฝึกแต่เดี๋ยวมันมีท่านหนึ่งใช่ไหมฝึกแล้วก็นิ้วชี้หาตัวเอง <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมฝึกแล้วก็ฝ <c oughs> ึกเป็ <c oughs> <c oughs> <อ>นฟ้อนนิวชี้หาตัวเองอะ่ะก็ปรากฏว่าพอ น, ะนอนทยักก็ล้ม่แต่พอนิ้วตัวเองชี้ตัวเองตายแยกๆตรงนั้นเลยนะแล้วก็ล้มตาย อ๋อก่อนที่จะตายอา๋อพนารายก็แปลงตนจากนางไอาสาปสอปสรมาเป็นนารายอาวตารกลับมาเป็นไรก็เหยียบอกนนทยาอันทีเลเ อ, อ๋ออ๋อท่านนี่นะอันนี้ผู้ใหญ่ลังแกเด็กนี่ก็ไม่รู้ว่าท่านไปฆ่าเทวดาเขาตายเขาเดินร้อนนะธรรมะเทอมีได้ไงก็เกิดอาฆาตเลยอาฆาตพระนารายนี่นะถ้ามีโอกาสได้เกิดใหม่นะเรามาสู้กันใหม่ โอเคถ้ า, างั้นต่อให้แกมีอนะไะหัวสิบหัวนะ ม, มือสิบมือใช่ไหมทศกัณฐนะ์ ท, ที่ต่มาเป็นทศศศศแปลว่าสิบใช่ไหมมีสิบหัวมีสิบแขนนั่นนะแต่ฉันเขามีสองมือสองแขนแค่เนี้ยสู้กันก็ได้<ช>อ่าแะนั้นแกก็ตายไปด้วยอาจิตที่อาคาดที่คาดก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็เป็นภาคนาลายอวตารเกิดมาเป็นแก นาลายพัฒนารายก็เกิดมาเป็นพระรามนานเห็นไหมแล้วพอกูรุ่นนุนทายักษ์ก็เกิดมาเป็นทศกันฐนะฮะเริ่มต้นตรงนั้นเลยเริ่มต้นจากเรื่องพระรามไปพระรามก็ดําเนินไปตามนั้นแต่เอาตอนตัดตอนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรื่องมันจะยาวจะแก้กันไม่จบนะฮะเอาแค่ก่อนที่จะเกิดไปเป็นพระรามทศกันเนี่ยมาแก้ตรงนั้นก่อนไอนทีนี้คําว่าภูเขาพระสุเมรินเนี่ย เมลุดวนั่นน่ะแปลว่าอะไรเอามาตั้งแต่ที่เผาศนะพจชเมนนะฮัสสุเมนเอามาที่ไหนก็นเป็นพัสสุเมนทั้งนั้นแหละตรงนี้คืออะไรนะฟังไว้นะดูตัวละครหน่อยนะทำไมใช้คำว่าอิสวนอิสวระแล้วพะนนลายเป็นใครพระพรหมเป็นใครแล้วพะนนลายเนี่ยมีอาวุธพันลายนี่ตามบติเขามีกี่มือ พันนาลันี่มีกี่มือไม่ใช่พันนาลัยสี่กรอนไงสี่ก้อนม่มีนับมือพันนาลัยสี่กรอนเธออ่านั่นแหละอันนั้นเขาพรมสีหน้าเนี่ยเพรอตอนนั้นนนทยักษ์บ่กอ้าท่านเป็นนาลัยเราเขามีแค่มือสองมือละครท่านสี่มือมรังแก่คุณสองมือได้ไงไม่ไปไล่เอาต่อไปเกิดไปเช้นหน้าต่อให้แกสิบมือยี่สิบมือชั้นมือสองมือสองแขนเนี่ยใช่ไหมคือมาจากตรงนั้น เอาพนาลายมีสี่กนระแล้วก็พระศิวะก็ก็มีตามปกติธรรมดาเนี่ยอันนี้อันหนึ่งนะแล้วทีนี้สัมภัสัตทั้งหลายเข้าไปเฝ้ า, าพระอิสวนทุกสิห้าวันหมายถึงอะไรแล้วทำไมต้องมีนนทยักษ์มาเฝ้าประตูด้วยแล้วนนทยักษ์เป็นใครเอาแค่นี้นะเราจะเห็นก็คือว่าคาว่าอิสวระตรง น, นั้นน่ะ คำว่าพระสุเมนนี่หมายถึงรูปนามภูเขาใหญ่นะตัวเราเนี่ยเป็นพระสุเมนนะแต่ในรูปนามนี่มีพระอิสวนอยู่อิศวนผู้เป็นใหญ่ใครเป็นผู้เป็นใหญ่ในรูปใ น, นามำนี่ก็คือจิตใช่ไหมจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานจิต เ, เพราะฉนั้นคําว่าอิศวนไอปัน้นนเราเรียกว่าพระไ อ, นะอิสวนน ะ, ะอิศ ว, วนนะพระอินสวนพระอินวนนะแต่ควาจริงมาจากคําว่าอิสวรามาจากคำว่าอิสระ อิสระแปลว่าผู้เป็นใหญ่ใช่ไหมอิส่วผู้เป็นใหญ่แล้วผู้เป็นใหญ่จิตเนี่ยจะมีผู้ที่ช่วยอยู่สองคนพนนลายจิตนี้ผู้ช่วยจิตผู้ช่วช่วยใหญ่ผู้าจะเป็นใหญ่ได้จะมีคุณสมบัติสองอย่างหนึ่งต้องมีสติได้แก่พัศยวะได้แก่ปัญญาได้แก่พันนลายมีสติปัญญาเป็นมือซ้ายและมือขวานะเสร็จแล้ว พรนารายณ์เนี่ยที่จะปราบที่จะมิลิศได้เนี่ยต้องมีสี่ก้อนมีสองก้อนไม่ได้ก้อนที่หนึ่งถืออะไรยายคําฟ้องจําได้ไหมสี่ก้อนเนี่ยมันมีอาวุธทั้งหมดนะฮะก้ น, นที่หนึ่งเอาให้ดีดียะสอบแล้ววันนี้ดูรามาเกีนกันมานานอ่านนัเกี่ยวกับว่านะฮะกอนที่หนึ่งถืออะไรคุณมงคลไม่ได้ย่อรัตนาฮฮะ ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านข้อที่หนึ่งถือจักรโอจั ก, กรคุงโกเจ้าุงลยถือจักรข้อที่สองถืออะไรคาาอันนั้นอันนั้นข้อที่สี่ <c oughs> ข้ขอที่สองถือาคาาข้อที่สามถือสังใช่ไหมข้อ <c oughs> ที่สี่ถือตรีศูนย์ไม้สามง่า ม, มอันนะน <c oughs> นี่คืออาวุธของพนรายเสีย นะคือมีจักมีคาถามีสังแล้วก็มีตรีศูนย์นะหรือสาม ง, งามนี่แหละเพราะนั้นจิตก็จะใช้ปัญญานี่แหละเป็นการปราบแต่ถ้าจิตที่จะเป็นจิตอิสระภาพอยู่เหนือรูปเหนือนามจริงๆนั้นต้องมีพันลายสี่ก้อนเนี่ย เพราะฉะนั้นคือชื่อว่าพนาลายนี้ก็คือปัญญาที่เกิดจากการสั ม, มปัญญาคือรู้อริยสัตอริสัตสีนั่นเองนะ์หลายสีก้อนคืออริสัตสีนะอริสัตสีทาไมจึงว่ามีสี่ก้อนก้อนที่หนึ่งคือจักจักตัวนี้แหละที่หมุนไปทุกเนี่ยมันเหมือนจักที่หมุนไปกัดกินมนุษย์ตัดมนุษย์ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนกันนะคือจักแห่งทุกตัวนี้ ใช่ไหมเขาเรียกว่าสังสาระจักรคือจักรตัวนี้มันหมุนไปเพื่อความทุกข์แต่อพอพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาปั๊บพระองค์สแสดงธรรมะกันแรกเลยเปลี่ยนจักรมันเป็นอะไรธรรมะจักรกับพระวุทนสูตรจักเหมือนกันสังสาระจักเปลี่ยนสังสาระจักเป็นธรรมจักรทันทีเลยหมุนกลับเลยใช่ไหมนี่คือที่ไปที่มาเพราะฉะนะั้นมีนัยยะณะทำยพุทธเ้าสแสดงธรรมกันนี้เพื่อที่ย้อนสอนศาสนาผลางอะนเอง าศาสนาฮินดูเอเอนที่หนึ่งคือหมายถึงจักคือทุกข์ที่หมุนไปเพื่ออ่าจักรนี่มันก็มีกี่ซี่ละ่ะมันจักรมันเป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนฟันเฟืองอะเห็นไหมฟันเฟืองหมายถึงอะไรหมายถึงปฏิสุบัต1สิบสองสิบสองซี่ในปริศนาเขาลึกลับ้างนะสสองซี่แล้วก็จักรมือที่สองถืออะไร คือคทาทุกขสัตใช่ไหมจาะขทานี่คือสมูทายสัตวสมูทายสัตว์คทาก็ได้แก่ตัญหาที่ปร่งของคทาเนี่ยมันมีสามสามปลอกเขาเรียกไอไอถึกว่าเราเรียกว่าไอที่ดาบเนี่ยนะคทาคทาหรือที่ดาบมันจะมีด้ามมันเนี่ยมันจะมีข้อตัวนี้ยมันมีสามข้อไอตรงนี้ถือใช่ไหมขทาก็เหมือนดาบอ่ะที่จะฟันลงไปคือสมูทายคือทุกน่ะเป็นอาวุธ ของสังสารวัตเขี่ยนตีสัตว์บังคับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้ต้องยอมตามอํานาจโดยมีอํานาจอยู่สามประการคือกามาตัญหาภาวตัญหาวิภวะตัญาครอบงําจิตใจของสัตว์ใช้ทุกใช้เคีน่นทํางานทั้งวันทั้งคืนก็ยอมเพราะตัวตัญหาตัวนี้มันเขีน่นมันตีเอายอมตายนะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงผัว จะทุกจะตีจะท้องเนี่ยขอให้มีกำนาจดันหาเป็นเครื่องผูกรละทัดใจทีจ่บอว่าเมียตีกันฆ่ากาันอยู่ก็ได้อย่างงั้นอ่ะจะห น, นีก็ไม่หนีเพราะอะไรเพราะดัวเนี้ยสมูทัยเนี่ยมันคอยเช่ยนคอยตีแต่ละเวลาด้วยใช้อํานาจของกรรมนะคุณมงคนลรู้อคุณไอ้บำรุงรู้ดีอย่างนี้นะก็เคยโดยอํานาจของอยากของตันหาเสร็จแล้วอันนี้มือที่สองได้ แ, แก่สมูทัยคือตันหานะที่ว่าคือคาถาเป็นเครื่องตีสัตว์ทั้งหลายให้ทุกกันนะทั้งทั้งที่ ออกบวชก็ออกได้ง่ายทำไมไม่บวชกันเพราะ ม, มันมีอํานาจนิครองําอยู่นะจะอิสระง่ายๆมันออกไม่ได้เพราะอําอนาจของตระหามันคอบ อ, อยู่นะจึงใช้ตัตวเนี้ตีสัตว์ให้ให้เป็นหมุนไปตามสังสารวัชยทีนี้มื อ, อ 3, ที่สามถืออะไรสังอ่ามือที่สามถือสังสังใกล้ได้แก่นิโรธสัตว์เพราะฉนั้นเวลาเขาแต่งงานแต่งการเขาทําไมเขาถึงเอารถร่างสัง ในลํามะเกียนนั้นก็คือน้ําที่อยู่ในสังตัวเนี่ยที่พระนารายณ์ให้มานั้นเป็นน้ำำาําอมตะใครได้ลาดได้รดอันนี้แล้วมันจะหมดพิษหมดทุกข์หมดสูงหมดสศกหม ด, หมดโรคหมดภัยนะนางอะไรนะคนอิมก็ถือหอยสังใช่ไหมน้าที่ไหลออกจากหอยสังแม่คนอิมเนี่ยสามารถลาดลดลดดับทุกได้ก็มาจากคำเนียมเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ถือเอา หอยสังเนี่ยมาเป็นนิมิตเวลาในการแต่งงานอยู่ด้วยกันเนี่ยจะมีทุ ก, กโศขโรคภัยแต่มันดับไปได้เพราทุกสุขโรคภัยเหมือนเดิมอะไรนะเพราะฉะนั้นตัวสังะสังตัวนั้นแปลว่าขัดเกลวแปลว่านิโรธคือการดับถ้าคนไหนมีทุกสุขโรคภัยต่างๆแล้วเมื่อมาปฏิบัติให้ได้นิโรธแล้วทุกก็จะหมดดับตันหาได้ดับไฟตันหาได้น้ําในสังตัวนี้เรื่องน้ำอมาาตะน้าาําอมฤต มือที่สี่ถือตรีศูนย์เหมือนกับอาวุธอใช่ไหมแต่ว่าคนที่จะทำให้เกิดดับทุกข์ดับร้อนได้ต้องมีตรีศูนย์เป็นอาวุธอาวุธในนี้ตรีศูนย์ได้แก่มักนีองแปดพอมักมีองแปดยอเหลือสามใช่ไหมคือศีลสมาทิปัญญาเรียกว่าตรีศูนย์สัมมาทิฏฐิสัมมาสังคัปปะเป็นปัญญาใช่ไหม สมาวาจาสมากมันต์สมาอาชีวะเป็นศีลสมาวายามะสมาสติสมาสัสมผธิเป็นสมาธิเพราะนั้นในมรรคมีองค์แปดย่อแล้วเหลือสามคือศีลสมาธิประญาได้แก่จีศูนย์ที่ใช้ปราบกิเลสใช่ไหมใช้ปราบกิเลสอันนี้คืออาวุธของพระนารายแต่ว่าเราไม่ศึกษาเรื่องเราจะไม่รู้เลยทำไมเขาทำแนบแ น, บ, นบสนิทดีเหลือเกินแต่พระพุทธเจ้าจะรูม้มาเจ้าพลิกจาก อำนาจของลายสี่กอนเป็นอนิจจสี่ไปเลยเห็นไหมเนี่ยพุทธศาสนากับพราหมณ์มันค้ากันอยู่อย่างนี้ว่าถ้าไม่มีพุทธิยาตัศลุขึ้นยุคใดสมัยใดจะแปรสภาพของาศาสนาคัมภีาศาสนาฮินดูให้เป็นพูดไม่ได้เพราะปัญญาไม่เกิดแต่พุทธิยถาตัศลุคือพระพุทธเจ้ามาพลิกตรงนี้กลับอีกคนก็ได้มารู้ทำใช่ไห้ท่านที่จะงมงายอยู่ในเรื่องของพรามณฮินดูข้อกัวอยู่ตลอดนีเอาละทีนี้ต่อมาทุก อ่าทีนี้พระศิวะอ่าพระศิวะได้แก่คําว่าสติพระศยวะนี่ได้แก่ผู้พัฒนาลายผู้รักษาใช่ไหมพัศิวะพูดอะไรพระพรหมผู้สร้างพระศยวะผู้รักษาพานาลายผู้ที่เป็นผู้ปราบนะมือปราบว่างลายเนลายเป็นมือปราบแต่พระศิวะเป็นผู้สร้างศิวะมาจากคาว่าสตินลายมาจากคาว่ปาปัญญานะ แล้วก็สิบห้าวันทุกสิบห้าวันสัมภัสสัตว์ทั้งหลายต้องไปเฝ้าพระอิศวรหมายเขาไหมไงหมายความว่าจิตของเราเนี่ยมันมีสัตว์ทั้งหลายไปเกิดตลอดเวลาวันนี้เกิดเยอะไหมใหญ่ป้องมีอะไรมาพูดในใจมั่งเออมันไม่ต้องตลอดสิบ้าวันนะเพื่อ น, นนะแต่วันพระหยุดวันหนึ่งหมายก็วันพระเนี่ยคนทําสมาธิไงถึงได้หยุดกันคนเข้าวัดรักษาศีล คนนั้นไม่ต้องคิดอะไรวันนั้นนะแต่ก็แอบคิดอยู่ๆได้ะนะเพราะว่าเราไม่ไ ด, ไไดไ้ได้ทำให้เด็ดขาดนั่นหมายความว่าสัตว์ตั้งแต่สัตว์ในอวัยวภูมิสัตว์ในมนุษย์สัตว์ในเทวภูมิสัตว์ในภูมิภูมิเนี่ยเขา้าเฝ้าพระสิวะคือพระสิวเอาพระอีส่วนน่ะคือหมายความว่าจิตนั้นเป็นที่มาของสรรพสัตว์ทั้งหลายนะเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเขาเรียกว่าสัตว์เพราะจิตมันเกี่ยวข้องอยู่คือตลอด ทีนี้เกี่ยวข้องอะไรกันนุนทยักนนท ะ, นนทะเนี่ยนุนทยั ก, น ก, น ก, กเนี่ยคือนนทุกันเองบัรเลขเรานะเรียกนนทุกไม่ใช่เรื่องนั้นนนทุกคือทุกเนี่ยมันจะเกิดด้วยนนมันจะคําว่านันทิราคาสหกาตะในธรรมจักพูดถึงนันทิราคาสกักาตะหมายถึงว่าประกอบด้วยความตันหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเพลินตันหาสามเน่ะมันเกิดขึ้น จากความเพลินเมื่อเพลินเท่าไหร่ทุกเมื่อนั้นเมื่อเพลินเท่าไหร่ทุกเมื่อนั้นนั่นเราเรียกว่านุนทะนุนทุกงไงคําว่านันทะดอนนั้นมาจากคําว่าเพลินเพราะฉะนั้นไอ้ตัวตันหาดอนนียมันก็ต้องการอํานาจนะไ อ, ไ, อไอ้นุนทะความเพลินเน้่ต้องการอํานาจจากใจอันน้นก็ไปขออํานาจมาก็คือตัวสามารถที่จะชี้นะให้เอาให้คนทุกข์ลงมาเลยเหยื่อล่อให้คนเนี่ยไปติดก่อน กามาตัญหาเพราะว่าตัทําพี่ว่าตัญหาเนี่ยให้เพลินก่อนที่คนเราจะเกิดตัญหาต้องเพลินเพลินในอารมณ์เพราขาดสติไงไม่มีพัศิวะดูแลก็เพลินเพลินในตาในหูจมูกลิ้นกายใจเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสทุกต้องมาละนันที่ราคะาราคะต้องมาเพราะมีความเพลินเมื่อเพลินแล้วก็จะต้องเฝ้านะเฝ้าอยู่ในประตูประตูของทางขึ้นหาพระศิวะเนี่ย ความจริงมันมีถึงหกประตูนะประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายน่ะประตูใจเนี่ยก็มีนุนทะเฝ้าอยู่หมดถ้าหากว่ามีความเพลินอยู่แล้วเนี่ยทุกต <Türkiye> ้องเกิดน่ะสัตว์ทั้งหลายมันก็จะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเข้ามาทั้งหกทางเสร็จแล้วความเพลินในประตูตาเพลินในอะไรเพลินในการดูรูปสวยๆงามๆประตูหูเพลินใน เสียงประตูจมูกเพลินในหอมกลิ่นประตูลิ้นเพลินในรสประตูกายเพลินในสัมผัสประตูใจเพลินในอารมณ์เพลินทั้งหกทางเลยทีเนี้ยเสร็จแล้วเมื่อมันเพลินแล้วมันก็ต้องพวกเทวดาทั้งหลายเนี่ยมันก็พยายามพวกคนดีทั้งหลายก็จะพยายามที่จะออกอำนาจของทุก โดยลังแกทุกบีบทุกอะไรเนี่ยแต่ออกไม่ได้นะเพราะในตัวนนทุกเนี่ยมันมีอํานาจอยู่ฆ่าไม่ตายเมื่อฆ่าไม่ตายมันก็ต้องการอํานาจไปขออํานาจในพระอิสวรก็คือตัวเนี้ยฤทธิตัวเนี้มาทีนี้ต่อมาวิธีการฆ่าทํำไงจิตเนี่ยจะไปฆ่าตัณหาไม่ได้ต้องไปใช้พเนรลายใช่ไหมก้อนนั้นหมายความพเนรลายก็เลยแปลงตัวมา มามาเป็นนาอนัปสรเพื่อดี่จ่าทุกขอันนั้นก็คือในตัวพระนารายณ์นั้นแปลงตัวมาเป็นพรหมจันทร์และสาวพรหมจันทร์ต้องประพฤติพรหมจันทร์เท่านั้นถึงจะฆ่านนทุกได้ใช่ไหมสาวบริสุทธิ์เขาเรียกพรหมจันทร์ประพฤติพรหมจันทร์คือดีใช่อ่าขอให้พรหมจันทร์ทั้งหลายจงสืบถึงที่เดีวก็พูดทุกวันเนี่ยก็ามาเป็นสาวบริสุทธิ์ อ่าในพรหมจรรย์เพราะในสวนนั้นก็คือพระธรรมวินยัยสวนดอกไม้ธรรมะของที่เจ้าเป็นเหมือนสวนดอกไม้เมื่อเราประพฤติพรหมจรรย์ก็เหมือนกับว่าอ่าเอาสารบริสุทธิ์เอาพรหมจรรย์มาล่อให้นนทุกเนี่ยไปหลงนนทุกไปหลแล้วก็เอาตัวพรหมจรรย์นั่นแหละเอาเครื่องมือของ ของตัวในตันหานนทุกหน้าฆ่าตันเองไหมเขาเอาตันหาฆ่าตันหาแต่เปลี่ยนอำนาจตันหาเป็นอะไรเป็นศรัทธาอ่ามันยากเหมือนกันศรัทธาเราจะมาปฏิบัติได้ก็ยากนะใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เป็นตันหามันกลับเป็นตัวศรัทธานี่เองไปฆ่าในนุ่งทุกอีกทีหนึง่งพอเราไปเห็นตัวพรหมจรรย์งดงามใช่ไหมเห็นนางสาวอัปปสรงดงามหรือเข้าไปว่าพรหมจรรย์เนี่ยน่าดื่มน่าปฏิบัติก็ พระท่านก็พระพุทธเจ้าทั้งอภรณาอั น, นิี้สูงไว้สวยงามมากเราก็อยากจะพ้นทุกข์ยังเข้าไปไประพุทธภูมิจันทร์เมื่อพุทธภูมิจรนท์ก็ล่อให้ทุกข์เนี่ยเข้าไปนะในช่วงที่พุทธภูมิจันท์มันก็ต้องทุกข์บ้างะนะเสร็จแล้วก็ใช้ความอยากนั้นมาแปลงเป็นเดิหาชี้กลับเข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาเ อ, อตันหาเนี่ยมันขีดออกข้างนอกชี้ออกข้างนอกใช่ไหมแต่ศรัทธามันชี้กลับเข้าข้างในแล้วก็กลับมาดูตัวเอง ทุกมันถึงจะดับถ้าจิตชี้ออกไปข้างนอกทุกมันเกิดแต่จิตกลับเข้ามาข้างในอันนี้คือฤทธิ์ทุกมันกลับดับนี่คือนิ้วชี้ของนนทุกอะใช่ไหมซึ่งเรื่องเขาเขาสร้างมาเนี่ยมันแทบสนิทเหลือเกินมันเข้ากันอย่างกลมกลืนเหลือเกินมากอันนี้คือพูดกับาพามันแฝงกันอย่างเนี้ยคําสอนทุก อันนี้แค่แค่เรื่องของกำเนิดพระรามจุดเดียวนะที่ทั้งเล่มเนี่ยเรื่องมหามหากรามายณนะหรือมหาภราตะเรื่องอมหาภราตะเป็นโอ้โหนิชานยาวมากแล้วน่าจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส้อนกันอยู่พูดถึงที่ไปที่มาระหว่างพุทธกับาพามันฆ่าคนอยู่นะแล้วก็การเกิดผู้รู้ผีบุญกับตนบุญทั้งหลายในพุทธศาสนามันก็จะคบคู่กันมีตลอดอ่ะคือเมือนของพุทธกับาพามียตามบี้อย่างนี้ตลอด มันจะมันจะทิ้งกันไม่ได้ตั้งแต่โบราณกาลมาหลายละแต่นานๆไปพุทธก็จะกลายเป็นพรามเพราะมันไปตินิทานเอาพระุทธเจ้าแตสรุขึ้นมาอีกทีมาแก้หอนิทานออกกลายมาเป็นพุทธอีกทีหนึ่งเอนานานๆไปพอผู้รู้ทั้งหลายพระรหันทั้งหลายค่อยๆค่หมดไปจากลูกนี้คนก็ลืมเรื่องไอ้แก่นแท้ไปกลับไปนับผืนนิทานอีกก็เป็นเรื่องใหม่อ่าพทุทธเจ้าพระรหันเกิดขึ้นมาแตสรุโผลมาชีแช้แจงก็วนกันอยู่อย่างนี้ นะเพราะนะั้นการเกิดอะไรต่อเรื่องอะไรที่ในในพุทธศาสนาไม่ว่าที่บ้านเราหรือมืองอื่นก็ตานะยิ่งมึงเมืองลาวมืองเขมยิ่ง ข, งขึ้นที่เกิดอันนี้นเยอะนะผีบุญทั้งหลายเนะี่ยอถ้าเป็นคนค่อยช่วเนี่ยเป็นพญานาคนี้นักเข้าอีกนะเพราะฉะนั้นก็มีตนมีองค์มีเจ้ามีเทพอะไรเยอะแยะไปหมดไม่ว่าเมืองไทยมองลาวมเมืองเขมในะนะี้ก็มาในนามของศาสนา ฮินดูศาสนาพราหมณ์นั่นแหละเพราะในพุ่นมโนไม่มีในพุทธเพูดถึงเรื่องกุศลนกุศลเท่านั้นนะฮะันั้นสิ่งเหล่านี้อย่าไปแปลงมันจะเกิดขึ้นมากหลากหลายพวกนี้อีกเพราะอันนั้นคือธรรมดาของโลกที่คนสวยหาทางออกแต่เมื่อสติปัญญาบุญบา ร, รมียังไม่เข้าถึงพุทธศาสนาโดยตรงเขาก็ต้องอาศัยระดับต่ำล ง, งมาคืออาศัยตรงองค์เทพองค์เจ้าอาศัาศารังยุทธึงตัวไต่ขึ้นไปเนีเพราะฉะนั้นอันนี้คือธรรมชาติของนุษย์สวยหาทางออกเพื่อการบำบัดทุกข์ เมื่อปัจจุบันเนี่ยมันปัญหามันเยอะทุกคนเยอะเขาต้องหาทางออกหาทางออกเขาเจอโดยวิธีการต่างๆอย่างนี้แหละที่ได้กล่าวไว้นั้นมีเกตตรงไหนที่แกไม่หมดอีส่วนแกะแล้วนะพนาราย์แกะแล้วแต่บทบาทของพระศิวะทาไมน้อยเหลือเกินนะบทบาทพระศิวะทาไมน้อยเหลือเกินก็เพราะว่าสติมีบทบาทไม่มา ก, กแต่ว่ามีพลังในการสร้างพนารายนั้นเป็นตัวปราบ แต่เนี่ยเป็นตัวรักษาผู้รักผู้สร้างใช่ไหมสร้างอะไรสร้างภูมิธรรมให้พรฒนาลายคือปัญญามาดูรักษาอีกทนีนะแล้วก็เป็นผู้ปรบับนะมีนิวรณ์อะไรต่างเขาใช้ปัญญาปราบับนะอกุศลนะรามทั้งหลายเนี่ยใช้ปัญญาปราบับก็คือพรฒนาลายปรับศัตรูทั้งหลายนะเพื่อที่จะหนุนให้พระอิ ส, สวรเนี่ยเป็นใหญ่คือจิตเนี่ยเป็นใหญ่เป็นประธานเขาพระสุมเมนก็คือรูปนามในเองนะ จกักรวรรเนี่มีรูปนามเลยเป็นใหญ่แล้วก็มีอะไรในที่แกไม่หมดมีไหมหมดแล้วเนี่ยเนาะอ่าอันนี้เอามาตอนหนึ่งนะเอามาตอนหนึ่งเท่านั้นถ้าไปในเรื่องพระรามอีกยิ่งสนุกเลยทีนี้นะลงไปู่ฤทธิ์หงพระรามเรื่องลึกยิ่ใหญ่มากเรื่องกวางทองเรื่องนางสีดาเรื่องญาติาพี่น้องของอออะไรกลุ่มทศกัณฐ์นะอ่าญาติพี่น้องของพระรามอีกตัวอะไรต่ออะไร เรื่องใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นอย่าไปแตะต้องเลยนะเอาแค่กําเนิดแค่นี้ก็พอแล้วจะเห็นเขาใช่ไหมแล้วจะเห็นเขาว่าพุทธศาสนาเขาคาบเกี่ยวกันอยู่อย่างเนี้ยตลอดดังนั้นใครต่อใครที่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของยุคสมัยของสังคมที่จะต้องเกิดมาปรับมาแก้อ ย, อยู่อย่างนี้มาจึงไม่แปลกใจเนเรื่องธรรมดาแต่ว่าจะมาในรูปไหนเป็นพุธหรือเป็นพราหมณ์แต่ในลิชี่เนี่ยเป็นทั้งพรามทั้งพุธเสร็จนะ่ะ เวลาจะแก้บุญแก้กรรมต้องขอพระนารายจะไม่ได้ขอผู้ได้เจ้าจะมาทําสมาธิเพื่อที่จะไปปราบบุญปราบกรรมเอามาทําสมาธิแบบพูดอย่างนี้นะฮะก็ไปอ่านหนังสือเขาเ น, นะนี่ยนั้นก็กลายเป็นเอาว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะเผยแพร่ในสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่น่าเสียหายอะไรแต่ประการสําคัญก็คือแต่ละฝ่ายที่เอามาเผยแพร่เนี่ย ต้องการอะไรเป็นผลกำไรไหมชื่อเสียงเจติยศลาภสกาลในมุมไหนหละนะที่เขาจะขึ้นมาโดยบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์อันนี้ก็ว่าอีกแง่หนึ่งซึ่งก็มีคนใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพรค่คุณงามความดีบางคนก็ใช้สิ่งนี้เป็นตัวหนุนบุญบรารมีให้ตัวเองได้มาสร้างบุญบรารมีให้มีสติปัญญามากขึ้นเพื่อจะเข้าสู่พุทธธรรมบางคนก็ถูกเกข้อม ง, งามเอา เป็นเครื่องสแสวงหาลาบสักาละชื่อเสียงไปซะเลยอันนี้ก็มีเหมือนกันนะอันนี้เราก็จะอนุโมทนาสําหรับผู้ที่มีตั้งใจบริสุทธิ์แต่เราก็เขาต้องเตือนผู้ที่เขาถูกครอบงาด้วยเอาสิ่งที่บริสุทธิ์ดีงามนี้ไปเป็นเครื่องมือนในการสแสวงหาลาบสกาละซึ่งจะทําให้สังคมเสื่อมทรุดหนัเข้าไปอีกแล้วมันมีเยอะด้วยประเภทนี้นะประเภทเพเพบุญคายเนื้อหนโลคายสวรรค์ อ, อะไรต่างๆนะมันมีเยอะแต่เราก็ต้องระมัดระวังนะ อั น, น, น เ, เก็บอกซื้อเครื่ อ, องฟอกไตได้สเครื่องสาเครื่องเยอเยอะเดย น, นี้เขาก็เอามาสร้างโรงพยาบาลซื้อเครื่องฟอกไตซื้ออันนั้นซื้อสร้างห้องสมุดช่วยสมาคมอะไรต่างๆนะดูทั้งทันสีอเขานะ่ะก็ดีนะอันนี้เขาก็ดีนะ่ยเขาไม่ใช่พระถ้าเขาเป็นพระแล้วก็คนก็จะขึ้นมากกว่านี้ว่างั้นเถอะอันนี้เข า, เ, าเป็นเด็กเป็นนักศึกษาอยู่นะเขาก็คิดว่า จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมถ้าหากว่าเขาบวชแต่ถ้าเขาไม่บวชเขาไปประกอบอาชีพอื่นต่อไปริษัทอำนาจบารมีเหล่านี้มันค่อยๆเสื่อมไปเขากลับมาเป็นคนธรรมดาอะไรแต่ว่าวันพวกุดเขาได้อาจจะสร้างบุญมาไม่เต็มที่เขาไม่มีโอกาสได้บวชถ้าเขาเป็นบวชเขาไปสแสวงธรรมได้บรรลุธรรมได้ไวเป็นพระหรหัสตั้งแต่อายุนี้เนอะก็อาจจะปลดคนได้เยอะกว่านี้นะแต่ว่าบุญบารมีที่สร้างมาอาจจะไม่พอได้แค่เป็นเทพมาช่วยระดับหนึ่งก็พอแล้ว เขาาอบวชไม่กี่วันนะก็ค่อยสึกนะบวชสร้างวันเจ็วันนั่นหมายความว่าบุญบารมีของบรรพุรุษสร้างมายังไม่แข็งแรงพอที่จะให้บุญบารมีเดีวนั้นนั้นก็มาช่วยได้ระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นในจุดนี้อมาว่าเราต้องศึกษานะมองอะไรทุกอย่างในแง่ของการศึกษาไม่จําเป็นต้องเชื่อเพราะว่าพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาส่วนจะเชื่อนั้นไม่เชื่อคนอื่นมาครอบงํามาอ่านี่เราไม่ได้แต่เป็นหน้าที่ของเราที่เราเกิดปัญญาด้วยเชื่อได้ตัวเองนะ อันนี้เป็นเป็นส่วนดีของพุทธเจ้าส่วนดีของพุทธศาสนาที่ช่วยเราไว้ก็คือเรามีหน้าที่ศึกษาส่วนจะรับไม่รับก็จะเอาไม่เอาเป็นเรื่องของเรานะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีการฝึกฝนอย่างถูกต้องแล้วเนี่ย อ, อะไรก็ดีหมดเอาหมดปรากฏว่าดีทุกเรื่องแต่ก็ถูกหลอกทุกเรื่องเหมือนกัน <laughs> เหลวทุกเรื่องเหมือนกันนะมันก็ไปไหนไม่ได้เต็มไปหมดอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีนน ด, นน ด, ดีไปหมดแต่ไม่รู้ว่ามันหนักอะไรทีเนี้ย ไม่รู้จะเอาอะไรไปมันดีได้เกินนะเอาทิอย่างเดียวนะถึงในจุดตีก็มีเรื่องเล่าอะไรเป็นอุปมาว่าไม่มาเยอะแยะนะแต่ว่าเราก็มักจะลืมเวลาอะไรเกิดขึ้นตามกระแสเราก็ไหลาตามกระแสก็เข้าไปด้วยคนทุกวันเนี้เขาเรียกว่าไหลาตามกระแสเ อ, อแล้วแต่ว่าในสังคมเขาเขอะไว้ทางไหนนะเราก็ไปกับเขาด้วยเกาเรียกกระแสแล้วก็ลืมดูอันนี้หมายถึงว่าในสังคมระดับ ชาวบ้านธรรมดานะแต่ยได้สังคมระดับผู้ปฏิบัติผู้รู้ผู้มีประสบการณ์แล้วก็ไม่ไหลาตามกร ะ, สะแสละรู้จักเลือกรู้จักพิจรนารณาเอาในส่วนที่ดีที่เหมาะสมแก่จิตใจตัวเองนะอันนี้คือเคลียร์ปัญหาของคุณบำรุงนะเอาหนังสืเอเล่มนี้มาอ่านมันปเป็นเหตุทีเล่าเรื่องนี้นะ ทำใม้เอา้เรื่องนี้มาเป่าลบ ก, ก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้เลยนะแต่ที่เล่าเรื่องนี้ว่ามันเป็นาศาสาพูดกับพระคับเกี่ยวกับมาตลอดแล้วปรากฏการ์อย่างนี้ในสังคมก็จะเกิดมีตลอดไม่ใช่แค่นี้ <c oughs> จะมีมากกว่านี้จะอ้างถึงเรือเบื้องบนเนระดองเทพเรื่องอะไรต่งตางๆเขาก็พูดเรื่องมหาชาญนไว้มากมายกว่าเขาจะามาเกิดมาเป็นได้รับค่านิยมแบบนี้ เออและการแยะไปหมดเราคิด ว, ว่าถ้าไม่เสียคนเสียก่อนก็คงแยกช่วยสังคมได้เยอะเนงะินอันนี้เขายังอ่อนเกินไปกลัวว่าพวกที่มันสแสวงหาผลประโยชน์จะพลิกแพลงให้มันเสียคนได้ง่ายแต่ถ้ามันไม่มั่นคงนะแต่ยิง่งทามันติดในราบสการลามันจะเสียคนได้ง่ายแต่ถ้ามันไม่เอาอะไรเลยไม่ติดราบสกาล์มันก็สามารถจะช่วยสังคมได้นานนะอันนี้คืออยู่ตรงนั้นด้วยว่าความโลภมันจะเกิดไหมถ้าความโลภไม่เกิดก็โอเคอาจจะช่วยได้นาน น, นี้ ไปกับแม่กับญาติสามสี่คนยังไม่มีทีมงานยังไม่มีต่อไปทีมงานที่จะช่วยค้นประโยชน์ที่นี้อาจจะเข้ามานะมาออกเทพมาปรุงแต่งมาดัดแปลงอะไรต่างๆเอาขึ้นหาขึ้นเขาแต่ถ้าหาว่าเมื่อไรเขาไม่เป็นตัวของตัวเองนะถ้าเขาเป็นโวของตัวเองอยู่อาจจะไม่เป็นเครื่องมือของใครแต่ถ้าเมื่อไรเขาไม่เป็นตโดของตัวเองเขาหวังอะไรที่ยิ่งใหญ่อำหน้าชื่อเสียงเขาอาจจะตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายที่สัสดิ